สาบานได้ว่าผมเห็นมันยืนอยู่ตรงนั้นแหละเขาร้องออกมาเบาๆกัดดิมฝีปากแน่นบุยปากให้ผ่านใหญ่ดูพื้นบริเวณโขดหินสูงระดับศีษะสองลูกซึ่งขณะ น, นี้ต่างเข้าเดินเลาะวนกันอยู่พร้อมกันก็กาดไฟฉายไปทุกพุ่มพงอย่างไม่ไว้ใจ เวงไรเฟริลสะพายไหล่ไว้ชักปืนสั้นประจำตัวออกมาถือกระชับเตรียมพร้อมด้วยความรู้สึกอันสังหอนไา้บางอย่างจากบทเรียนที่เห็นอยู่ก่อนแล้วการปรากฏตนให้เห็นของแงซรายและการติดตามอย่างกระชั้นชิดม s <S ักจะปรากฏผลในด้านอันตรายร้ายแรงส่วนออกมา <S <S ในรูปที่คาดไม่ถึง ดังเช่นที่ชา ย, ยันพบเข้าแล้วเมื่อเย็นที่ผ่านมาบัดนี้เขาก็เราไม่ถูกอีกเหมือนกันสมมุติว่าภาพที่เห็นเป็นร่างของแง่ทายจริงและมันหลบปุ๊บว้าวหายไปโดยมีเขาตามค้นหาเช่นนี้มหาวิบัติภัยสยดสยองยใดๆมันจะจู่โผล่ออกมาอีกก็ได้และหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นถึงสองครั้งสองคาก่อนที่เราพินจะสะดุ้งตื่นขึ้นมานั้นเกิดขึ้นเพราะสายตาหลอกตอนเองกันแน่ รับพินคงนิ่งเงียบชนิดอ่านใจไม่ออกอยู่เช่นเดิมสุดคุกเข่ากับพื้นบริเวณนั้นสองไฟสำรวจอยู่คู่ก็ค่อยๆกาดไฟไปกับพื้นและเดินก้มมองไปช้าๆสามหรือสีว่วาจากที่เขาเริ่มต้นพิจารณาอย่างจริงจังและค่อยๆเดินตามไปหัวหน้าคณะสังเกตเห็นพันใหญ่อยู่ชนงงะกึกจับไฟนิ่งอยู่กับพื้นที่พุ่มไม้ทึบตอนเด e r หลังหินก้อนนั้นพร้อมกับโบกมือเรียกมา เพื่ดียวเชื่ถาส่งตัวเองตามเข้าไปถึงแล้วหัวหน้าคณะก็ยืนใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกรอยเท้ามนุษย์คู่หนึ่งปรากฏอยู่บนพื้นหินเรียบเกลี้ยงสังเกตเห็นได้จางๆเพราะน้ำทางที่เกาะพาวอยู่ในขณะนี้เป็นรอยด่างมันเป็นรอยใหม่ๆสดๆร้อนๆสายตาของคุณชายไม่ฝาดแงส า, ายนั่นเองผานใหญ่พูดแผ่วต่าจากร่องรอย ของเจ้ารองเท้าได้มาหยุดยืนหรือมิฉะนั้นก็ซุดตัวลงนั่งยองๆ อ, อยู่ตรงนี้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็มีรอยเดินอ้อมเลี้ยวลัดไปในระหว่างป่ารกซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นชัดนักผิดไะจากรอยที่เห็นครั้งแรกเพราะพื้นที่เป็นกวดรูกลังอุดมไปด้วยใบ ไ, ไม้แห้งที่หล่นลงมาคลุมบางๆลักษณะการเคลื่อนไหวย่องเข้ามาใกล้แคมป์ตลอดจนเลี่ยงหลบไปไม่ผิดอะไรกับเสือสมิงเพราะเต็มไปด้วยความเงียบกริบแผ่วเบาและคล่องแคล่วชําชนาญโดงในยามวิกาลอันมืดสนิทผิดวิสัย นุษมนาจะพึงกระทำได้เชิดถาขยับตัวส่องไฟจะออกแกะรอยที่เห็นลางๆเหล่านั้นไปแต่จอมพานเหนียวแขนไว้อย่าครับไม่มีประโยชน์หรอกเราไม่มีทางที่จะตามมันทันได้ในเวลาอันตรายที่สุดอย่างนี้หัวหน้าคณะชักนะักมองเห็นจริงด้วยกับเสียงกระซิบท้วงของรับพินยอย่างพานใหญ่ลงได้ห้ามเช่นนี้มันก็ส่อความหมายให้ทราบแน่ชัดเกินกว่าที่จะต้องให้อธิบายมากนะัก พราะรัพยินเองมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะเข้าให้ถึงตัวแงสายผู้ลึกลับยิ่งกว่าเขาซะอีกทว่าในยามนี้กับเป็นฝ่ายที่ยับยั้งเขาไว้เพราะตระหนักดีว่ามันเสี่ยงเพียงไรแปกเหลือเกินจากรูปการที่เห็นอยู่นี่แสดงว่าแงสายป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เคียงกับพวกเรานี่เองเชิดถาพึพรรมพ์อย่างสุดจะงวงงมันมีท่าทางเหมือนจะย่องเข้ามาในแคมป์แต่พอเราไหวตัวมันก็หลบอาการของมันคล้ายๆจะประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่ง คงจะไม่ใช่ในทางดีนักหรอกครับรับผินตอบเกล่าวเราตาเต็มไปด้วยความคุ้นคิดหรืออย่างน้อยที่สุดผมก็อยากจะคิดว่ามันปรากฏตัวขึ้นเพื่อล่อให้เราตามซึ่งถ้าเราตามไปอะไรจะรอยอยู่ข้างหน้าก็ทายไม่ถูกเราตามมันแน่นอนครับแต่ไม่ใช่ในเวลานี้ กล่าวจบเขาก็พยักหน้าชวนกลับเข้าที่พักก่อนดีกว่าครับอย่างน้อยก็รอให้สว่างซะก่อนตอนนี้ไม่เห็นว่าจะได้ยินอะไรเราเพียงแต่คอยจับสังเกตและระวังตัวอยู่ในเขตของกองไฟของเราอย่างเดียวเท่านั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งสองพาการเดินกลับข้ามมาในบริเวณที่พักปลุกพักพวกขึ้นเตือนให้จัดที่นอนใหม่แล้วก็บอกให้ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรขึ้นในระหว่างที่คนอื่นๆหลับไม่รู้ตัวชัยยันดาวรินและมาเรียแทบจะหายง่วงเป็นปิดทิ้งยกหยกนี่เองหรือที่แกเห็นแง่าทายมายืนใกล้ที่พักของเราอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องออกมาโดยเร็วใช่ไม่เกิน 4-5 ้านาทีนี่เองก่อนที่จะปลุกพวกแกขึ้น ถ้าตามก็ทันทําไมถึงไม่ตามมาเรียถามเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นร้อนใจเช่นเดียวกับดารินหัวหน้าคณะมองไปทางจอมพานล้วผินก็ตอบแทนมาให้ว่าตามเสือสมิงก็ยังดีเสีกว่าที่จะตามแงาทรายในเวลานี้ลูกการของมันมาร้ายไม่ใช่มาดีมาเพื่อล่อลวงเราเพื่อให้พบกับพี่บติภัยเหมือนอย่างที่เราโดนกันมาแล้วพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือ โดรูปกายนั้นเป็นสมบัติของแง่ทรายก็จริงแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรที่เข้าสิงชักนําวงการมันอยู่เราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถ้ามันเป็นศัตรูอื่นที่เรารู้โดยเปิดเผยแน่ชัดออกไปเราจะสะกดใจกว่านี้มากทีเดียวและไม่มีความหมายอะไรเลยต่อให้มันร้ายกาศสักเพียงไหนแต่นี่มันอาศัยอยู่ในร่างของแง่ทรายจะจัดการอย่างไรลงไปก็ไม่ถนัดตราบใดก็ตามที่พวกเราไม่ได้อยู่ใ น, ในฐานะที่จะข่างแง่ทรายได้ ดารินหันไปสอบซักพี่ชายอย่างละเอียดในปรากฏการลึกลับที่เชิดาพบเหมือนจะให้แน่ใจว่าพี่ชายของหลอนไม่ได้ตาฝาดตปแล้วสายหน้าอย่างอัดอั้นตันใจเอ๊ะทำยังไงดีเรานี้แงซ า, ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่เองจะเอาตัวก็เอามาไม่ได้มันจะเป็นไปได้ไหมสมมติว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาหาพวกเราแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกยิงหรือเปล่าพอพี่ใหญ่ขยับตัวก็เลยหลบไปซะ นั่นสิอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มาเรียนสนับสนุนข้อคิดของเพื่อนสาวมาโดยเร็วถ้างั้นทำไมไม่ลองกู่เรียกดูชัยยันออกความเห็นซึ่งตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะอํานวยอะไรขึ้นมานะักระหว่างที่พานใหญ่นิ่งเฉยไม่กล่าวอะไรเชิฐาก็สั่งให้เกิดซึ่งขณะนี้ลุกขึ้นนั่งกอดเข่าอยู่ใกล้ใกล้กูให้เสียงออกไปผ่านพื้นเมืองหนุ่มยืนขึ้นป้องปากกูออกไปท่ามกลางความเงียบสงัดของราเีเสียงนั้นดังกังวานสะท้อนไปไกลเงียบกริบ ไม่มีสำเนียงใดๆตอบรับเสียงกูนั้นมาเลยเกิดและเสยช่วยกันกูซ้ำๆออกไปเช่นนั้นอีกพักใหญ่ถ้ามันไม่ใช่แงาซายมันก็ไม่ตอบเราหรอกครับในายใหญ่บุญคำกระซิบทันทีนั้นดารินก็ลุกขึ้น เดินออกไปยืนเด่นอยู่กลางบริเวณแล้วตะโ ก, กนออกไปสุดเสียงแง้ซ า, ายหล่อนร้องเรียกนามนั้นด้วยกระแสะเสียงอันร้อนรุ่มกุ้มใจเจอไปด้วยความรักใคร่ห่วงกังวลเสียงของหล่อนดังแหลมชัดเจนแว่วกัางวานไปทั้งราวป่าขณะที่หมุนตัวลงมองไปยังความมืดรอบด้าน เธออยู่ที่ไหนจงออกมาเถิดนี่นายหญิงเรียกพวกเราทั้งหมดกำลังติดตามหาเธอด้วยความเป็นห่วงเราตามเธอมาด้วยความปรารถนาดีไม่ได้คิดจะเอาโทษอะไรทั้งสิ้นหลบอยู่ที่ไหนจงออกมาขาดเสียงของดารินทุกคนก็ต้องถลันพูดขึ้นยืนพร้อมกันหมด มีเสียงหัวเราะแหบห้าวดังแวววาเบาออกมาจากความมืดมิดนั้นที่ใดที่หนึ่งก็ไม่สามารถจะจับได้แน่ชัดไม่มีใครบอกได้ว่านั่นเป็นเสียงของแง่ซรายหรืออะไรกันแน่ไฟฉายทุกดวงขยับที่จะกดสวิตช์พุ่งปาดค้นออกไปหาแต่กรพินร้องห่างเร็วปรืออย่าเพิ่งฉายไฟเฉยไว้ก่อนแล้วเขาก็ก้าวสวบเข้าไปยืนอยู่เคียงข้างหญิงสาวผู้ขณะนี้เบิกตาโพงมือทั้งสองกลุ่มประสานกันอยู่บนอกด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกได้ ลองเรียกดูใหม่สิครับคุณหญิงเรียกออกไปอีกหล่อนปฏิบัติตามคําสั่งของเขาแต่เบงเรื่ององค์คลักพิษทักตัวประจําตัวของหล่อนซึ่งเป็นตัวปิดานิทอยู่ในขณะ น, นี้จนเสียงแหบแห้งหล่อนพูดยาวยืดต่อด้วยประโยคอันอ้อนวอนพยายามจะโน้มน้าวเรียกมันให้ปรากฏตัวออกมาให้ได้ทุกคนเงี่ยหูคอยจับเสียงทุกครั้งที่หล่อนหยุดจะมีเสียงหัวเราะ อ, อันน้าขนลุกดังต่อมาเสียงนั้นดํารอบทิศไปหมด ประเดี๋ยวแววออกมาจากทางด้านซ้ายแล้วก็ย้ายไปดังด้านขวาบางทีก็ดังตอบออกมาจากด้านสายใหญ่และในดงทึบด้านตรงข้ามแต่ทุกคนก็ยังบอกไม่ได้อยู่นั่นเองมันเป็นเสียงของแง่สายหรือเปล่าเพราะไม่ได้เคยได้ยินในลักษณะเช่นนี้มาก่อน เชิดาถึงกับสะบัดหน้าแรงๆด้วยความมึนงงผมว่ามันไม่ควรจะอยู่ห่างจากเรามากนักนะเขากระซิบกับจอม่านพูดตกอยู่ในอาการไม่ผิดกันรับผิดคงหัวอย่างอัดอั้นจนปัญญาก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่ามันอยู่ห่างเราออกไปสักเท่าไหร่เสียงมันลอยๆยแว่ววมาอย่างไรพิกจับต้นเสียงไม่ชัดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปได้เร็วมากบรรดังมารอบแคมป์ของเราทีเดียว แล้วเขาก็หันไปมองดูขยินกับบุญคําซึ่งคงนอนเอาหูแน่ฟังอยู่กับพื้นดินในขณะนี้ทั้งสองมีสีหน้ายุ่งยากลําบากใจฉันคอขึ้นมามองสบตาเขาแล้วก็เป้ปากสันหน้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนายถ้าไอ้แง่ายอยู่ในกะแวกใกล้เคียงกับตางพักของเราจริงในขณะนี้มันจะต้องมีตีนเป็นผีเหยียบใบไม้ไม่ล้นแม้แต่แกลกเดียวให้ในายหญิงตะโกนเรียกร่อดมันอีกแล้วให้บุญคํากับขยินย่องออกไปดูไหมไม่ต้อง เราทุกคนจะอยู่ในเขตปางพักที่นี่จนกว่าจะเช้าจอมพผานห้ามเฉียบขาดไอแงซ่ซายไอ้โคดผีป่าห้า้อยตาผานเท่ากระโดดขึ้นถบเขมนยักกลังตะโกนด่าเอ็ดอึงออกไปอย่างโกรธแค้นเดือดดาลถ้าเอ็งยังไม่กลับเข้ามาให้ข้าเห็นหน้าเสี ด, ด, ดีพรุ่งนี้พ่อจะตามลอกหนังเอ็งให้ได้ดารินซัดหลังมือเพียเข้าไปที่ไหล่อันผอมบางของตาเท่าตวาดเสียงเขียวจะบ้านแล้วหรือบุญคำเสียงหล่อนก็ร้องเรียกออกไปอีกอย่างไม่ยอมละความพยายาม คันแล้วบัตรนั้นเองก็มีเสียงแหบแผ่ววังเวงลอยเข้ามากระทบทุกโสดเหมือนจะดังออกมาจาก loudspeaker ที่ติดไว้อย่างหมู่ไม้และโขดหินรอบๆตัวแช่มช้าและเยือกเย็นถ้อยคำของประโยคนั้นทำให้เย็นจากเส้นผมลงไปจนถึงปลายเท้าในความรู้สึกของทุกคน ถึงอย่างไรพวกท่านก็ต้องไปไปสู่ความพินาศแห่งอาถรรพ์ของนครแห่งความหลับหรือมิฉะนั้นก็ไปเพื่อแก้บ่วงธนตกรรมให้แก่พวกเราดารินพงะตัวสั่นน้อยๆเสเข้ามากระทบอกของพี่ชายใช้ถากกอด น, น้องสาวไว้ตบเบาๆที่ไหล่อย่างปลุกปลอบใจแล้วแลสบตาไปยังคณะพักที่พากันยืนตะลึงอยู่พูดเบาเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเอาล่ะ ทำตามที่รัพินบอกดีกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นจนกว่าตะวันจะขึ้นเรานอนพักกันดีกว่าทั้งหมดถอยกลับเข้าประจำที่นอนรัพินทร์กำหนดยามขึ้นในกลุ่มพันพื้นเมืองหกคนซึ่งพวกนั้นส่วนมากได้หลับพักผ่อนกันมาก่อนเมื่อตอนหัวค่ำแล้วกองไฟถูกเติมเชื้อจนสว่างโชติทุกกองแล้วเขาก็ลงไปนอนเอามือก่ายหน้าผากพ่อตายอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปยังหลังคาพลาสติกที่ขึงกั้นน้าค้างเตี้ย คณะนายจ้างทุกคนก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันไม่มีใครสามารถหลับตาลงได้ง่ายๆแม้จะอิดโอยกันสักเพียงไรก็ตามมีเสียงสิปโป๊ของใครคนหนึ่งลุกพึบขึ้นจากกลุ่มที่นอนไหลชนกันอยู่นั้นพร้อมกับเปลวแสงเล็กๆจากนั้นก็มาดับลูกไปพร้อมกับควันบุหรี่เสียงขยับตัวและเสียงถอนหายใจเบาๆอย่างกระสับกระส่ายแล้วในความเงียบของทุกความคิดก็ต่างตเตลิดล่องลอยไปไกลนั้นเสียงพูดเบาๆลอยๆของใครคนหนึ่งก็ดังออกมาจากเงามืดสลัว ก่อนหน้าที่จะถูกปลุกขึ้นมาเมื่อครู่นี้ฉันหลับแล้วก็ฝันไปมันแปลกเหลือเกินนั่นเป็นเสียงของมาเรียฮอฟบันหล่อนนั่นเองเป็นคนจุดบรีนอนสูงฝันยังไงเพื่อนสาวซึ่งนอนอยู่ใกล้ๆพึมพามถามสเตเกลฉันไม่ได้ฝันเห็นเขานานแล้วแต่มาคืนนี้แปลก ฉันเห็นเขาในความฝันฉันเดินป่าอยู่เพียงคนเดียวขึ้นเขาลงห้วยหนทางแสนจะยากแค้นธุรักันดารจะมุ่งหน้าไปไหนก็ไม่รู้หนทางนั้นมันวกวนเสนเลื่อประมาณแล้วเขาก็มาปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าลักษณะสู้ขำอมทุกข์ฉันพยายามจะวิ่งเข้าไปหาสักเท่าใดก็ไม่ถึงตัวเขาสักทีทั้งๆ ท, ที่ก็เห็นว่าเขายืนรออยู่เฉยๆเขาไม่พูดไม่ตอบคำถามใดๆของฉันทั้งสิ้นเพียงแต่โบกมือห้ามและมีอาการเหมือนจะบอกใบ้ให้ฉันถอย ไปเดี๋ยวก็หายไปไปเดี๋ยวก็ปรากฏให้เห็นอีกทุกครั้งเขาโบกมือให้ฉันถอยกลับอยู่เช่นนั้นสีหน้าหวาด ก, วกลัวทุรนทุรายอย่างไรบอกไม่ถูกเธออาจจะมีความคิดขึ้นมาว่าการที่เธอร่วมทางมากับพวกเราครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดก็ได้ถึงได้ฝันเช่นนั้นสาบานก็ได้ว่าฉันไม่มีความคิดเช่นนั้นเลยน้อยฉันก็ฝันประหลาดดีเหมือนกันเธอพูดขึ้น ก็เลยเพิ่งนึกขึ้นมาได้เสียงสองหญิงนอนคุยกันในความมืดแผวเบาซุบซิบฝันยังไงหรือน้อย คล้ายๆกับว่าฉันกำลังนอนอยู่ที่นี่แหละแล้วก็มีผู้หญิงสวยคนนึงนุ่งผ้ายกสีทองห่มสบายเฉียงสีแดงลักษณะเป็นคนเดียวกับที่ฉันเคยฝันเห็นมาก่อนแล้วในคืนหนึ่งตอนที่พักอยู่เหนือฝั่งทานใกล้ต้นตะเคียนใหญ่ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาพูดเตือนฉันบอกให้ระวังตัวคณะของเราทั้งหมดกําลังตกอยู่ในห่วงอันตรายใหญ่หลวงยังไม่ทันที่ฉันจะถามหล่อนออกไปก็ต้องตกใจตื่นซะก่อนเพราะพี่ใหญ่ปุกตอนที่แงาสายเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ที่พักของเราเมื่อกี้ มีเสียงใครคนหนึ่งหัวเราะเงิกหนึ่กแส้ขึ้นใครคนนั้นก็คือชายยันอ้าวถ้าจะพูดถึงฝันฉันก็ฝันด้วยอีกคนหนึ่งเหมือนกันอดีตนายทหารหนุ่มเอ่ยขึ้นเสียงเปล่งปลาแต่จะฝันตอนที่ถูกตะขับกัด นอนสลบครึ่งเป็นครึ้งตายอยู่หรือฝันตอนที่มาหลับเอาตอนหลังนี่ก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันฝันของฉันพิสดารแหวกแนวกว่าเมย์หรือน้อยซะอีกพร้อมกับพูดชา ย, ยันเอาศอกยันกายผงกหัวครึ่งนั่งครึ่งนอนเปิดกระติก บ, บรัานดีออกดื่มคงมีแต่เชิฐาและละพินเท่านั้นที่นอนฟังบุคคลทั้ง3าคุยกันอยู่เงียบๆอาการเหมือนหลับลองเล่าให้ฟังบ้างสิชา ย, ยันนิ่งไปครู่เหมือนจะทบทวนแล้วดื่มบรัานดีอีกอึกใหญ่ ในฝันฉันพัดหลงจากพวกเราทุกคนไปเพียงคนเดียวเข้าไปในปราสาทลกล้างปรากหักพางอยู่กลางป่าทึบหลังหนึ่งภายในห้องใจกลางปราสาทหลังนั้นมีแท่นหินตั้งเด่นอยู่สูงเทียมอกบนแท่นหินเป็นโรงแก้วเึกใสเหมือนกระจกผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนนิ่งเหมือนเจ้าหญิงนิพรายอยู่ในโรงแก้วนั้นหล่อนสวยอย่างนางในวรรณคดีเครื่องประดับและปวงผนิล พิมพาพรเป็นแบบนางกษัตริย์กึ่งขอมกึ่งแขกที่ประหลาดที่สุดก็คือริมฝีปากอันงามจิ้มลิ้มของหล่อนแดงเปิดไปด้วยเลือดสดๆเชิฐาผู้นอนชิดกับพระพินรอบสะกิดหลังมือพานใหญ่โดยแรงและถึงแม้จะไม่มีสัญญาณจากหัวหน้าคณะนะจอมพานเองก็สะดุ้งใจอยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ยินเสียงเล่าฝันของช ย, ยันซึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นภาพตรงกับ ที่ได้ยินจากคำบอกเล่าของแง่สายมาก่อนแล้วและขณะที่แง่สายเล่าภาพพจน์เช่นนั้นให้ฟังก็มีเขากับเชิดถาเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้ยินชายันไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยแปลกนี่แล้วฝันยังไงต่อไปอีก ช่ถาเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกมาจากความมืดเสียงพยายามให้เรียกปกติที่สุดแต่มือยังบีบหลังมือและพินไว้เช่นนั้นอาการของชายยันคงอยู่ในลักษณะตื่นตื่นงงๆเมื่อเล่าถึงความฝันของตนนิ่งไปอีกครู่หนึ่งก็ยกมือขึ้นตบขมับตัวเองเบาๆพร้อมกับสะบัดหน้า มันเป็นความฝันเลอะเละเือนๆ อ, อ, อย่างไรบอกไม่ถูกเหมือนกันแฮะที่ฉันจำได้ก็มีเพียงเท่านี้เองเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรอีกก็จำไม่ได้เสแล้วจำได้ติดตาเฉพาะผู้หญิงที่นอนอยู่ในโลงแก้วกลางปราสาทร้างเท่านั้นถึงเดี๋วนี้ก็ยังมองเห็นท่านอนเครื่องแต่งกายและเขาหน้าอันสวยราวกับภาพแกะสลักของหลอนอยู่เหมือนได้ไปเห็นมาจริงๆนั่นแหละ ดารินกับมาเรียไม่ทราบประแคะระคายอะไรมาก่อนจึงไม่ได้สนใจอะไรนะักนอกจากซักถามมาอีกคำสองคาในระหว่างนอนคุยกันอยู่ตลอดเวลาและพินพัยวันเงียบติดทุกคนเข้าใจว่าเขาหลับไปแล้วยกเว้นเช็ดถาผู้นอนอยู่ใกล้เท่านั้นไม่นานนะักก็ค่อยๆเงียบกันไปต่างคนต่างหลับผานใหญ่ย่องกลิบออกจากที่นอนไปสั่งการกับคนของเขาที่เฝ้ายามอยู่กำชับไม่ให้เผลอหลับเป็นอันขาดและพูดอะไรอยู่ด้วยอีกสองสามคำ ตอนหันกลับมาก็เห็นเชิดาตามมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆคว้าแขนเขาลากห่างออกมาจากบุญคําและจันทร์ซึ่งนั่งยามอยู่กระซิบเบาๆตอนที่แง่า ย, ายพูดถึงเรื่องประหลาดนี้กับเราชัยยันไม่ได้ยินอยู่ใกล้หรือได้ยินด้วยใช่ไหมครับแง่า ย, ายพูดอะไรทำนองนี้ให้เราได้ยินกันเพียงสองคนเท่านั้นเขาตอบอย่างสงบเชิดาจ้องตาขม็งคุณมีความรู้สึกอย่างเดียวกับผมหรือเปล่ารู้สึกอะไรเหรอครับ เหตุการณ์ที่แง่ท า, ายพูดกับความฝันของชายยันทำไมมันถึงมาตรงกันได้ผู้หญิงสาวสวยนอนอยู่ในโรงแก้วบนแท่นหินกลางปราสาทร้างในตาหน้าเกลี่มนเป็นมันดวงนั้นไม่ส่อความรู้สึกใดๆให้หัวหน้าคณะอ่านได้คงมีแต่ตาสีน้ำตาลเข้มในกรอบลึกเท่านั้นที่ฉายแสงแวววาวคมก้าแล้วเชิดขาก็บอกกับตนเองว่า บุรุษผู้นี้ความยิ่งใหญ่เกลียนไกลหาได้อยู่ที่ฝีมืออันยิ่งยงไม่หากแต่อยู่ที่วิญญาณอันทรหดปุจจ่นแก่งเกล้าและสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยวิยจารณญาณอันหลักแหลมมั่นคงซึ่งยากนักที่จะหาได้ครบองค์ในบรรดานักสู้ทั้งหลาย หลายตอนหลายครั้งมาแล้วที่เราพินพายวันทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กทําให้สถานการณ์อันเสียขวัญอับจนของหมู่คณะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนับตั้งแต่รู้จักคบหาเดินทางร่วมชีวิตกันมายาวนานพอสมควรเขาไม่เคยอ่านท่าทีของพานใหญ่ผู้นี้ออกเลยนอกจากจับเครดได้เพียงว่ายามใดที่ใบหน้าที่ยิ้มในลักษณะยิงฟันยามนั้นหมายถึงเหตุการณ์ที่ต้องตามมาด้วยเลือดและชีวิต และบัดนี้เชิฐาก็มองเห็นไรฟันด้านหน้าของบุรุษร่างสันพัฒน์ผู้เป็นผานนาทางของเขามันเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนอะไรไม่ได้เลยครับแต่ผมก็ยอมรับว่ามันแปลกปรลาดมากทุกสิ่งทุกอย่างแฝงเงาอยู่ในปริศนาลึกลับที่เราจะต้องประจันหน้ากับมันอย่างเลื่องไม่ได้คุณชายมีกังวลใจอะไรหรือครับนายจ้างยิ้มตอบ ใช่ผมยอมรับว่ามีเรื่องที่จะห่วงกังวลมากเหลือเกินไม่ได้กังวลหรือหวั่นเกรงในด้านภัยอันตรายใดๆที่มันจะมาถึงเราหรอกแต่ห่วงแง่า ย, ายห่วงแผนที่เราเดินทางมาห่วงจุดหมายในการติดตามอนุชาดูเหมือนว่าอุปสรรคมันคอยขัดขวางเราไว้ตลอดเวลาเมื่อแรกทีเดียวผมรับนำทางมาในครั้งนี้ก็ด้วยค่าจ้างเป็นหลักใหญ่หวังไว้ด้วยว่าเวลาใดก็เวลาหนึง่งไม่ช้าก็เร็ว คณะนายจ้างของผมจะทนต่อความยากแค้นธุรกันดารในการเดินทางต่อไปไม่ไหวและตัดสินใจกลับซึ่งนั่นเป็นโอกาสของผม สุภาพบุรุษไพยพูด ช, ช้าๆราบเรียบสายตาจ้องประสานนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาสนดิ่นิ่งแต่สำหรับเดี๋ยวนี้ถ้าแม้ว่าคณะนายจ้างของผมคิดจะหันหลังกลับผมก็จะขอวิงวอนว่าจงก้าวต่อไปข้างหน้าเถอะครับก้าวไปจนกว่าเราจะประสบผลสมดังเจตนาที่เราตั้งใจหรือมิฉะนั้นก็ไม่เหลือพวกเราเลยแม้แต่ชีวิตเดียวปัจจัยเมธีในเมืองเขาพูดกันว่าอุปสรรคขวากหนามเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จผล นั่นเป็นเพียงการเปรียบเทียบเล่นจำนวนเท่านั้นแต่บัดนี้ในต่าใหญ่ไพสารที่เราบุกบั่นกันไปโดยไม่รู้อนาคตเราได้เผชิญกับถ้อยคําเปรียบเทียบชนิดนั้นของเขาอย่างตรงที่สุดมันทั้งมันทั้งขวาทั้งน้ําขุนเขาห UE, ้วยหนองแวดล้อมไปด้วยพยายนอันตรายซึ่งน่ารับหลังสารพัดสิ่ง ผมสาบานว่าผมจะนำทางไปอย่างซื่อสัตย์สุดจริตที่สุดและถ้าแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นรัพินภัยวันก็จะขอตายก่อนเป็นคนแรกเราต้องค้นคุณชายอนุชาให้ได้ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วและต้องฝ่าอุปสรรคไปทีละขั้นแก้ไขบุกบันกันไปเรื่อยๆผมจะไม่มีความสุขเลยถ้าการเดินทางครั้งนี้ล้มเหลวต้องกลับซะก่อนโดยเข้าไม่ถึงเจตนาเดิมที่เราวางเข็มไว้ เช้ทาสูดลมหายใจลึกสีหน้าอิ่มเอิบสดชื่นขึ้นด้วยกำลังใจส่งมือมาให้จับแล้วบีบแน่นกระซับที่ได้ยินได้ฟังมาเขาก็พูดกันไว้ถูกต้องแล้วนั่นคือเลือดของพานใหญ่ระพินไัยวันข้นกว่าน้ำมากแน่ใจเถิดผู้กองเราจะไม่มีวันถอยหลังกลับและถ้าคุณบังเอิญคิดระแวงว่าพวกเราจะท้อแท้ก็แปลว่าคุณเข้าใจผิดอดีตผู้บังคับกองตะเวนชายแดนหรือในปัจจุบันหาเลี้ยงชีพเสียงไัยอยู่ในป่าจนปากกด สศัพท์ระบือชื่อก้องสองสั่งไทยพมา่าชิดเท้าตรงก้มศีรษะลงโค้งคำนับให้แก่ราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะอย่างพลวะยกย่องผมภูมิใจมากครับที่มีโอกาสได้รับใช้เจ้านายผู้มีคุณลักษณะเช่นนี้จะเป็นไปได้ไหมระพินในข้อที่ว่าเราอาจจะต้องไปพบเข้ากับภาพอันเป็นที่สิ่งที่แง่สายและชัยยันพบเห็นในมโนคตินี้ประสาทร้างเจ้าหญิงนิทราในโรงแก้ว ก็อาจจะครับแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ในขณะนี้ว่ามันคืออะไรอยู่ที่ไหนหมายความว่าอย่างไรมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคําพูดของเจ้าผีกองกอยด้วยใช้ท่าพูดอย่างตรึกตรองคบคิดหนักยกมือขึ้นลูปปลายคางตาไม่เปลี่ยนไปจากใบหน้าของจอมผ่านผมอยากจะเชื่อซะแล้วว่าผีกองกอยก็ดีหรือแงซ้ายก็ดีกําลังจะนำเราทั้งหมดใบหน้าไปที่นั่นนะครแห่งความหลับมันจะมีอะไรแฝงอยู่ในนั้น น, นรกหรือสวรรค์เท่านั้นที่จะบอกได้ ผ่านใหญ่สุดกายลงนั่งบนแง่หินยกมือขึ้นเสรยเส้นผมปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะทำกันก็คือพยายามจับตัวแง้สายให้ได้พร้อมทั้งเอาแผนที่เดินทางของเราคืนมาและบนความพยายามโดยจุดหมายนี้เราจะต้องบุบบั่นหรือรเผชิญกับสถานการณร์เลวร้ายขนาดไหนก็ให้มันรู้ไปถึงไหนถึงกันครับคุณชายแต่สำหรับผลตั้งปณิธานไว้แล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะเอาตัวแง้สายให้ได้ก่อนที่เราจะต้องเลิดเปิดเปิงผิดเส้นทางจากเดิมไปมากนะัก ลงรู้แน่ว่ามันป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เราแค่นี้ก็พอมีทางแล้วอย่าลืมด้วยว่าเราไม่ต้องการใช้วิธีรุนแรงแง่าชายไม่ใช่สัตว์ที่เราติดตามหมายล่าแต่เป็นคนในคณะของเราที่ต้องการจะได้ตัวกลับคืนมาในสภาพเดิมจอมพานยิ้มสยะใบหน้าอันอ่อนโยนนั้นแหลดูแข็งกร้าวขึ้นครับผมเข้าใจแต่ว่าคุณหญิงกับเมย์ทราบเรื่องแปลกประหลาดนี้แล้วหรือยังครับสิ่งที่แง่าชายพูดกับความฝันของคุณชัยยันตรงกันหัวหน้าคณะสันสีรษะ ทั้งสองคนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกหรือแม้แต่ชัยยัเองก็ไม่รู้เราเฉยๆซะดีกว่าหรื อ, อยังไงถ้าไม่จาเป็นก็อย่าเพิ่งให้กระตุกกระต่าออกไปเลยครับเพื่อตัดปัญหาชัยยันสามารถรอดชีวิตได้ในคืนนี้ผมก็พอใจที่สุดแล้วและถือว่าเป็นชัยชนะขั้นแรกของเราเอาละอย่างที่คุณว่านั่นแหละถึงไหนถึงกันนั่นเป็นประโยคสุดท้ายของเชิท้าก่อนจะชวนกันเข้านอน เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นด้วยอาการโผเพยอิดโรยเพราะพักผ่อนกันไม่ค่อยเต็มที่ตรงข้ามกับชายยันผู้ดูเหมือนจะแช่มชื่นแข็งแรงดีที่สุดเพราะมีเวลานอนมากกว่าคนอื่นๆและหลับได้อย่างสนิทไม่เหลือร่องรอยหรือวิแววใดๆให้เห็นเลยว่าเมื่อข้ามของวันวานเขาตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายครึ่งเป็นครึ่งตายรอยแผลจากเขี้ยวตะขาบโดงปิดสนิทหรือให้เห็นเพียงจุดดำๆอยู่เท่านั้นไม่รู้สึกเจ็บขัดหรือระบมอะไรทั้งสิ้น ดารินเองภายหลังจากตรวจบาดแผลก็งงไปหมดถึงกับยกมือขึ้นกุมขมั เกียนิยมทางอายุรศาสตร์ของฉันเห็นจะไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันค้างทฤษฎีที่เรียนมาหมดชนิดที่ยากจะเผาตำราทิ้งคนไม่มีชีพจระจอไม่มีลมหายใจแล้วยังฟื้นขึ้นมาได้แข็งแรงดีเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยบาดแผลสดที่ควรจะเหลือร่องรอยให้เห็นก็แห้งสนิทภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงป่าดงพงไพทาไมมันถึงแปประหลาดพิสดารถึงเพียงนี้หล่นคลางออกมา สำหรับรับพินทันทีที่ลืมตาขึ้นมาฟ้าสว่างพอที่จะสังเกตเห็นอะไรได้ถนัด ก, ก็ออกตรวจบริเวณรอบรอบแคมป์พร้อมกับตะผานเท่าคนสนิทคู่ใจครู่เดียวก็โผกกลับเข้ามามีรอยมาเดินวนเวียนอยู่รอบที่พักรัศมีห่างออกไปประมาณ40ล้าแล้วตัดอองดาดช้างเส้นเดิมผ่านใหญ่รายงานแง่ซ้ายแน่หรือเปล่าชา ย, ยันถามผมจำรอยเท้าได้มีรอยอื่นปะปนบ้างไหมหมถึงไอ้พวกผีกองกอยคนไม่พบครับ บางทีจะเป็นพ่อพื้นแข็งเกินไปแต่คิดว่าไม่มีเพราะหลังจากขังขาวตัวนั้นมาอาราวาสกับพวกเราแล้วก็ไม่มีวี่แววไอ้ผีกองกอยตัวที่จะมาช่วยดูดแพ้ให้คุณชัยยันหรือตัวอื่นๆจะมาแพร่ผ่านใกล้ๆบริเวณนี้มันตื่นตกใจหนีไปหมดมันกลัวไอ้ขังขาวนั่นมาก กินอาหารกันพอประทังชีวิตจากสเสบียงกระป๋องแล้วทั้งหมดก็ละที่พักออกตามรอยแงซายอย่างไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นิดนึงทุกคนสังเกตเห็นได้ว่าแลพินภัยวานสั่งเคลื่อนย้ายเดินทางอย่างรีบตวนฉับไวที่สุดเร่งร้อนกว่าทุกครั้งจนกระทั่งดาวินกับมาเรียซึ่งแม้จะคล่องแคล่วเคยชินอยู่แล้วก็แทบเตรียมตัวไม่ทันอากาศอ้าวระอุ ข, ขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่น้ําค้างละหายไปหมด มันเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ทราบล่วงหน้าถึงความแห้งแล้งตลอดทั้งวันอันทุรเข็นอย่างไรก็ตามทั้งหมดยังคล่องตัวอยู่เหมือนเดิมรอยเท้าของแงซสายไม่ปรากฏให้คณะนายจ้างหรือแม้แต่มาเบียผู้จัดว่าเป็นผานได้คนหนึ่งคนพบเลยแต่ทุกคนก็เห็นจอมผ่านอ่านมันไปตามพื้นแล้วก็ออกเดินรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องกังขาหรือซักถามให้เสียเวลาเพราะต่างก็เชื่อมั่นและฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้แก่สายตาอันชํานาญของเขา นานๆครั้งมาเรีย จ, จะสกิดให้ดารินผู้เดินอยู่เคียงข้างหลอนสังเกตพื้นสักครั้งส่วนมากเป็นแง่ดินที่รอยเท้าเหยียบลายไว้แทบจะมองไม่เห็นแล้วก็กลืนหายไปกับพื้นแข็งและกลองใบไม้อันกรอบเกลี่ยหนทางั้นบายหน้าไปตามด่านช้างสายเดิมแต่ด้านที่เหนือขึ้นไปพักใหญ่จอมพานก็หยุดพักขายืนรอยอยู่บนหนทางเทชันบุญคาผู้หาบของคู่อยู่กับจันก็ร้องบอกคณะนายจ้างมาว่า ตรงนี้แหละนายที่ไอ้ั้งขาวนารกนั่นมันเล่นงานพานใหญ่กับพวกผมเมื่อคืนพานแกก็ชี้ให้ดูรอยวิ่งหกล้มเดิ้งกันลงมาตามทางชานนั้นสั่งปาก็พูดเอะอะกับนายสาวเป็นภาษาพมา่ขาขณะนายจ้างไต่ตามขึ้นไปถึงบริเวณที่พานใหญ่หยุดรออยู่เขาจึงออกเดินต่อโดยชะลอฝีเท้าลงมารวมกลุ่มชี้บอกให้ทราบว่าต้นพริกที่หนูดงซึ่งผีกองกอยนาไปเก็บเมื่อคืนนี้อยู่ทางด้านไหนแล้วไม่นานนะัก ก็เร่งฝีเท้าทำเวลาขึ้นอีกทิ้งห่างออกไปเป็นลำดับทั้งทั้งที่ทุกคนพยายามจะติดหลังกระชั้นชิดมาเช่นไรก็ไม่มีโอกาสที่จะตามทันเขาได้มองเห็นได้ชัดว่าการเดินในแบบของพรานอาชีพนั้นฝีเท้าของคนธรรมดาไม่สามารถจะเทียบเคียงได้เช่นไรช้ ย, ยันมุด ม, มานะที่จะตามเขาให้ทันให้ล้ำหน้าคณะอีก3าคนออกไปประมาณ30ลา้าแต่แล้วก็หมดความสามารถยืนอ้าปากหายใจรอคอยพักพ่วงให้ตามขึ้นมารวมกลุ่มกัน อย่าพยายามดีกว่าชัยยันถึงยังไงพวกเราก็ตามเสือนั่นไม่ทันหรอกเชิฐาเตือนเมื่อเดินมาทันหันไปดูเบื้องหลังปรากฏว่าขบวนลูกห่าถูกทิ้งหายอยู่ในแนวบังของป่าใหญ่เบื้องหลังอันเนื่องมาจากความพยายามกวดตามจอมพานเราตามเขาไปสุดแต่กำลังจะอํานวยให้ถึงยังไงเขาก็ต้องรอเราให้เขาเลื่องหน้าไปก่อนเถอะเพราะจะต้องสแสวงหาร่องรอยถ้าถึงบริเวณที่จะแยกจากสายใหญ่นี้คงหยุดรอเอง ชายันเปิดกระติกน้ำออกกั้วคอโครงหัวบนพึมพาดาวรินกับมาเรียนเหน็ดเหนื่อยเพราะการเร่งฝีเท้าจนหน้าซีดเขาจะไปให้เขาไปเรารวมกลุ่มไปพร้อมๆกันดีกว่าควรรอพวกลูกหาบของเราด้วยไม่ควรทิ้งให้ห่างนักฉุกเฉินยังไงจะได้ช่วยพวกนั้นทันคนของเราอีกหกคนแบกหามของไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยตัวเองได้ถนัดนัดระ มาเรียให้ความเห็นและทุกคนก็เพิ่งจะมองเห็นความจริงในข้อนั้นไม่มีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้องเร่งปีเท้าให้ทันระพินพานใหญ่ลงเดินแบบนั้นก็สอเจตนาอยู่แล้วว่าต้องการทําเวลาและไม่ประสงค์ที่จะให้ใครกระชั้นหลังเขาและสําหรับคนคนนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลพวกที่น่าห่วงคือกลุ่มพานพื้นเมืองทําหน้าที่หาของซึ่งร้าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์เตือนใจอย่างดีอยู่แล้วมหันตภัยเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต และการอยู่รวมกันเท่านั้นที่จะอำนวยผลในด้านการต่อต้านป้องกันร่วมกันได้ถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วมาเรียเดินแข็งกว่าคณะชาวพนักคอนทุกคนเพราะชีวิตอันเคยชินมากกว่าแต่หล่อนก็ไม่อาจหารพอที่จะกวดระพินเพราะรู้ตัวเองดีอยู่เ อ, เอาเรียลแรงมาจากไหนนะตัวก็ผอมเกรงแค่นั้นขา ย, ยังกระติดเครื่องยนต์ดาลินลงนั่งพักหลังพิงรากไม้ตรงตะพักดินพูดบนหอ เนือของหล่อนออกท่วมกายเหมือนอาบน้ำรัดแนบเนื้อไปหมดทุกส่วนทั้งหมดตัดสินใจหยุดรอพวกลูกหาบโดยไม่สนใจกับพานใหญ่อีกต่อไปมาเรียยืนเองตัวยันต้นไม้เขย่าคอเสื้อแล้วเป่าลมลงไปในอกเสื้อไล่ความอบอ้าวทันใดนั้นเองชายยันผู้ยืนอยู่ในระดับสูงกว่าขึ้นไปเล็กน้อยก็ถลันเข้าถึงตัวแหมมสาวอย่างรวดเร็วกระชากพ ง, งาออกมาผลต้นไม้เปลือกหนาหยาบ ลักษณะเป็นแว่นแว่นเหมือนเกร็ดงูนั้นเซถลาหัวสุนลงไปประทะเชฐขาซึ่งยันร่างของคนทั้งสองไว้ก่อนที่จะหัวปักลงไปยังทางชันเบื้องล่างแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยความตนกหตกใจอย่างจู่โจมกระทันหัน <c oughs> ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะเหมือนกิ้งกา่าแต่ตัวใหญ่พอๆกับตะกรวดลำตัวเป็นสีน้าตาลกลืนกับเปลือกไม้แต่ส่วนหัวดาสนิท ขอบตาแดงเหมือนทาชาติมีน้นาแหลมโผล่ยาวรอบตัวออกมาราวกับหนามทุเรียนแต่เดิมมันจะอยู่ที่ใดไม่ทราบได้แต่บัดนี้โผลู่บลงมาเกาะอยู่ตรงตาแหน่งที่มาเรียนพิงอยู่อย่างพูดพลาดทำให้ตัวงอโกองพังหกหัวขึ้นเป็นจังหวะถีเร็วอ้าปากเห็นเขี้ยวแหลมหน่ากลัวยิ่งลักษณะอาการเต็มไปด้วยความดุร้ายเต็มไปด้วยพิษสง ดาวรินกระโจลพูดขึ้นยืนประทับจุด300เวเธอร์บีขึ้นลัง อ, อยู่ห่างจากมันเพียง3วาเท่านั้นและตั้งตัวได้ก่อนทุกคนเพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เสียหลักชุนลมุนของ3าคนชั่วพิษตาก่อนการเคลื่อนไหวใดๆต่อไปของมันทั้งสิ้นไรเฟริลในมือของนักมนุษยวิทยาสาวที่แผดกล้องเสียงมันไม่ผิดอะไรกับฟ้าผ่าขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของภัยลึกเจ้าสัตว์ประเภทกิ้งก่าตัวนั้นกระเด็นหลุดจากลำต้นไม้ที่มันเกาะ พองขอแยกเขี้ยวอยู่หมุนคว้างกลางอากาศแล้วหล่นพักลงมาหงายท้องอยู่กับพื้นมีแต่หางเท่านั้นที่ขมวดแข่งอยู่ไปมาก้านคอของมันถูกลูกปืนกินเกือบขาดเหลือหนังติดอยู่เพียงนิดเดียวราวกับใครเอาดาบเฉือน <c oughs> ทั้งสามภูกันเข้าไปดูโดยเร็วดารินใช้ลำกล้องไรเฟริลเขีย่ยสัตว์รูปร่างน่ากลัวชนิดนั้นให้พริกเพื่อสังเกตมันได้ถนัดมาเรียรแยกเขี้ยวหลีตาลงเมื่อมองเห็นได้ถนัดตาโอ้ก <c oughs> oh <God> ๊อดหล่อนอุทานออกมา